อาณาปณนสติแบบที่จะช่วยให้รู้กายใจเป็นอัตโนมัติรู้ลมหายใจกำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกรู้อิริยาบถนั่งเดินท่าไหนหลังตรงหรืองอรู้เวทนาอึดอัดหรือสบายรู้จิตสงบหรือฟุ้งซ่าน ถ้าจับจุดถูกคุณจะมีหลักรู้จนเกิดสติเป็นอัตโนมัติได้เรื่อยเพื่อจับจุดถูกคุณต้องทำความรู้จักศูนย์กลางอันเป็นจุดเริ่มต้นของสติแบบรู้กายใจพระพุทธเจ้าเน้นให้อาศัยอนาปานาสติเป็นศูนย์กลางสติอานาปานาสติที่ถูกต้องจะฝึกให้คุณรู้ลมในแบบรู้ทั้งตัว ไม่ใช่รู้แค่ลมพูดง่ายๆคือวิธีที่คุณรู้ลมจะเป็นตัวตัดสินว่านั่นใช่อานาปานาสติแบบที่จะช่วยให้รู้กายใจเป็นอัตโนมัติในระหว่างวันได้หรือไม่ถามตัวเองณนะขณะกำหนดรู้ว่ากําลังหายใจเข้าหรือหายใจออกคุณรู้แต่ลมหายใจอย่างเดียวหรือเปล่าหากทั้งหมดของความรับรู้ ทุ่มใส่ลมหายใจอย่างเดียวขอให้ทราบว่าแบบนั้นคือการล็อกติดอยู่กับส่วนย่อยส่วนเดียวทำให้สติไม่พัฒนาไปถึงไหนไม่ว่าจะกี่ปีผ่านไปยิงจ้องแต่ลมหายใจเข้าออกนานขึ้นเท่าไรยิงแก้ความเคยชินยากขึ้นเท่านั้นแต่หากศึกษาแผนที่มาดีก็จะเริ่มสังเกตลมถูกเริ่มง่ายที่สุด ถามตัวเองณขณะกำหนดรู้ว่ากําลังหายใจเข้าหรือหายใจออกวินาทีนั้นคุณรู้ไปด้วยไหมว่ากําลังหายใจอยู่ในอิริยาบถไหนหลังตรงหรือหลังงอมีกาย ร, ร่วมอยู่กับการรู้ลมไหมเมื่อแน่ใจว่าทุกครั้งที่สังเกตลมสังเกตการมีอยู่ของกาย กายปรากฏในความรับรู้ไปด้วยแล้วแบบเป็นอัตโนมัติไม่ได้รู้สึกฟืดฝืนให้ถามตัวเองอีกว่าเมื่อรู้กายรู้สึกแบบแห้งๆ ห, หรือรู้ไปด้วยว่าในอิริยาบถนั้ น, น, นมีความสบายหรืออึดอัดคุณจะค่อยๆเห็นรายละเอียดเช่นหายใจอึดอัดคือหายใจสั้นนั่งอย่างอึดอัดคือนั่งเกรง หายใจสบายคือหายใจยาวราบรื่นเดินสบายคือเดินแบบผ่อนคลายสบายตัวเอาแค่รู้ลมหายใจไปพร้อมรู้อิริยาบถคือนั่งเดินท่าไหนหลังตรงหรืองอรู้เวทนาคืออึดอัดหรือสบายก็จัดเป็นตัวตั้งที่ดีที่เมื่อทำให้ชินแล้วคุณจะพบว่า เกิดสติได้เรื่อยๆในทุกสถานการณ์ที่กายใจไปปรากฏถัดจากนั้นขั้นที่ละเอียดขึ้นคือรู้จิตเริ่มจากเห็นว่ากำลังสงบหรือฟุ้งซ่านมีสภาพรุงแต่งเป็นกุศลหรืออกุศลเมื่อรู้เห็นได้เรื่อยๆโดยไม่ต้องตั้งใจก็นั่นแหละที่คุณจะรู้กับตัวว่าฝึกสติมาถูกทาง จนเกิดความเป็นอัตโนมัติแล้วการเจริญสติภาวนาโดยปราศจากอาณาปานสติที่ถูกเปรียบเหมือนปีนเขาด้วยมือเปล่าสำหรับคนส่วนใหญ่ไม่นานก็ตกลงมาแล้วก็ต้องมาเริ่มนับหนึ่งกันใหม่จากความงงจะ ก, กี่เดือนกี่ปีผ่านไปก็ตาม